สวัสดีค่ะ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 สี่ถึงตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่สองเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการเอองดิสอาราลูของเรานะคะนำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้คำว่า two นะคะ T O และคำว่า four นะคะ F O R four สองคำนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีหลักการใช่อย่างไรเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะมีวิธีการพร้อมทั้งตัวอย่างมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ถูกรก่อนนะคะการใช้ถูกรนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราเนี่ยบอกจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะคะยกตัวอย่างค่ะ we are going to Paris we are going to Paris ะะเรากำลังจะไปแพร์ลีสในที่นี้นะคะใช้ถึงนะคะแล้วตามด้วยเมืองค่ะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ I am driving to university every day อีกหนึ่งครั้งนะคะ I am driving to university every day ประโยคนี้นะคะมีความใหมายว่า ฉันเนี่ยขับรถไปมาหาวิทยาลัยทุกวันค่ะในบริบทนี้นะคะเราก็มีการใช้ drive นะคะ verb drive ที่แปลว่าขับขี่นะคะตามด้วยบุพบทนะคะหรือว่า prep position to นะคะและตามด้วยสถานที่อีกทีหนึ่งค่ะก็จะเป็น drive to ตามด้วยสถานที่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะ to นะคะใช้ในการบอกเวลาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะ it's a quarter to two it's a quarter to two นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนี่เป็นเวลานะคะบ่ายโมงสี่สิบห้านาฬิกาค่ะค่ะการใช้ to แบบต่อมานะคะใช้ในการบอกระยะทางค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ it's about ten miles from my house to the university อีกหนึ่งครั้งนะคะ isabouttenmilesfrommyhousetotheuniversity t ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าบ้านของฉันเนี่ยอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ10ไมคค่ะตรงนี้ก็มีการใช้ชูนะคะตามด้วยระยะทางนะคะใช้บอกระยะทางนะคะว่ามันเป็นระยะทาง isabouttenmiles นะคะแล้วก็ from จากสถานที่หนึ่งนะคะไปอยัางอีกสถานที่หนึ่งได้เช่นเดียวกันค่ะ การใช้ทูในการบอกระยะทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวยอย่างกันอีกสักหนึ่งประโยคนะคะ Does anyone know how far from the hotel to C department store? อีกหนึ่งครั้งนะคะ Does anyone know how far from the hotel to C department store? นะคะความหมายของประโยคนี้คือมีใครรู้บ้างเนี่ยว่าจากโรงแรมเนี่ยไปห้างสรรพสินค้า C เนี่ย ไกลขนาดไหนในที่นี้นะคะก็คือใช้ form the hotel นะคะ to C department store ค, ค่ะการใช้ to แบบต่อมานะคะใช้ในการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งอย่างนะคะตัวอย่างแรกนะคะ I prefer sleeping to working I prefer sleeping to working ประโยคนี้ก็คือฉันเนี่ยขอเลือกการนอนนะคะมากกว่าการไปทำงานนั่นหมายความว่านะคะมีการเปรียบเทียบ sleeping กับ working โดยการใช้ to เข้ามาขั้นกลางค่ะ I prefer sleeping to working ค่ะการใช้ to ในการเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะ she looked really tiny compared to him อีกหนึ่งครั้งนะคะ she looked really tiny Compare to him นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเปรียบเทียบว่าเธอเนี่ยดูตัวเล็กจิ๋วมากเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับเขานะคะในที่นี้ก็คือใช้ compare แล้วก็ตามด้วย to ค่ ะ, คะการใช้ to แบบต่อมานะคะใช้ในกรณีที่เราให้นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I gave the book to my sister I give the book to my sister. ประโยคนี้ก็คือตัวฉันนะคะได้มอบหนังสือให้แก่น้องสาวของฉันนั่นเองค่ะซึ่ง to เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของกริยา give นั่นเองนะคะก็จะเป็น give something นะคะ give อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ to นะคะ to สมวันหรือว่าสมบออจีนนั่นเองนะคะให้บางสิ่งบางอย่างแก่ใครคนใดคนหนึ่งค่ะ ででかなか、My little brother is secretly sending money to his ex girlfriend. なか、My little brother is secretly sending money to his ex girlfriend. なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、なか、な n なか、なか、なか、なか、なか、なか、ないなか、 การใช้ทูแบบต่อมานะคะใช้ในกรณีที่เราต้องการให้เหตุผลนั่นเองค่ะว่าทำสิ่งนี้เพราะอะไรนะคะซึ่งโครงสร้างของทูเนี่ยก็จะตามด้วยคำกริยานะคะกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองค่ะ、mm hmm. ทูในบริบทที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะจะมีความใหมายว่าเพื่อนั่นเองนะคะ、mm hmm. เช่น I came here to see you I came e h ่จะได้พบกับคุณค่ะ。ค่ะ、อีกหนึ่งประโยคตัวอリ่トงนะคะ、I go to the gym to lose weight ะคะ、I go to the gym to lose weight ネカーシャニアカウジムネカーハウロングヨムネカプーアティザーหนักค่ะ。 ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ for กันบ้างนะคะ if for for นะคะแบบที่หนึ่งนะคะใช้ในกรณีที่เราต้องการบอกประโยชน์นะคะว่ามันมีประโยชน์ต่ออะไรเช่น yogurt is good for your digestive system Yogurt your good for digestive is system よくっていってくだ i い。よ m i n C ってください。for ていっ r skin วิตามินซีนะคะมีประโยชน์นะคะแก่ผิวค่ะค่ะก็จะเห็นว่า for นะคะเพื่อบอกประโยชน์เนี่ยก็จะตามด้วยคำนามนะคะต่อมานะคะการใช้ for เพื่อบอกระยะเวลานะคะหรือช่วงเวลาก็ได้ค่ะเช่น we have lived here for two years we have lived here for two years แปลว่าพวกเราเนี่ย อาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาสองปีแล้วนะคะตรงนี้นะคะ for ตามด้วยเวลาเนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นเวลานั่นเองค่ะค่ะการใช้ for นะคะเพื่อบอกระยะเวลานะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะ I love you for a hundred years หนึ่งครั้งนะคะ I love you for a hundred years ความหมายของประโยคนี้คือฉันเนี่ยจะรักเธอไปอีกร้อยปีค่ะ ในที่นี้ก็คือใช้ for นะคะตามด้วยนะคะปีนะคะค่ะการใช้ for แบบต่อมานะคะใช้ในกรณีที่เราต้องบอกตารางเวลานะคะหรือแผนงาน schedule ก็ได้ค่ะเช่น I made an appointment for May the third อีกหนึ่งครั้งนะคะ I made an appointment for May the third แปลว่าฉันได้แจ้งนัดไว้ในวันที่3พฤษภาคมค่ะ การใช้ for นะคะเพื่อบอกตารางเวลาหรือแผนงานนะคะ I set the alarm for 4 a.m. อีกหนึ่งครั้งนะคะ I set the alarm for 4 a.m. นะคะฉันเนี่ยได้ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเอาไว้ตอนตีสี่ค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.dailyenglish.in.th ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงประพ้อต่อสังสถานีนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการอิงลิสต์อาราวิวติดตามฟังกันได้นะคะรายการอิงลิสต์อาราวิวสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว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 ขอเชิญชวนนึกศึกษาบุคลาก่อนและพูดได้สนใจ เขารวมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในอังกฤษโซนพร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาที่ชั้นสามสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีจังหวัดปฐุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย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 ด้วยทีมงานมืออาชีพรักขาย่องยาวปลอดภยัยได้มาตระฐานการันตีคุณภาพเฉินที่วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชชั่วโมงคนทันยิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท025921999 กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการอิงลิชราวยูอีกแล้วนะคะทางคลื่น FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงที่สองของรายการนะคะเรายังอยู่กับนะคะการใช้โฟร์นะคะในกรณีต่างๆค่ะ มาเริ่มกันต่อเลยนะคะจะเป็นกรณีที่เราเห็นด้วยนะคะเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะคะจะเป็นลักษณะของคำถามค่ะ Are you for or against the development of nuclear weapons อีกหนึ่งครั้งนะคะ Are you for or against the development of nuclear weapons ประโยคนี้นะคะจะเป็นการถามว่าคุณเห็นด้วยหรือ ต่อต้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะ for นะคะยังใช้ในกรณีเนี่ยการกระทำบางอย่างเพื่อช่วยเหลือบางคนค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ could you carry these books for me อีกหนึ่งครั้งนะคะ could you carry these books for me คุณเนี่ยช่วยถือหนังสือพวกนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมค่ะการใช้ for แบบ ช่วยเหลือนะคะหรืออาสานะคะแบบต่อมานะคะตัวอย่างคือ I can buy a movie ticket for you I can buy a movie ticket for you ประโยคนี้แปลา ว, ว่าฉันสามารถไปซื้อตั๋วดูหนังให้คุณได้นะเป็นการอาสาเพื่อช่วยคนที่เรารู้จักนั่นเองค่ะ ค่ะ for นะคะใช้ในกรณีให้เหตุผลได้นะคะว่าทำสิ่งนี้เนี่ยเพราะเหตุผลอะไรนะคะโดยนะคะเราจะใช้ for เนี่ยตามด้วยคำนามค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ let's go out for a drink let's go out for a drink นะคะออกไปข้างนอกกันนะคะไปหาอะไรดื่มกันเถอะในที่นี้นะคะใช้ for นะคะตามด้วย a drink a drink ที่แปลว่าเครื่องดื่มค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะ for ใช้ในกรณีที่ให้เหตุผลนะคะ I bought these toys for children I bought these toys for children ฉันซื้อของเล่นพวกนี้มาให้เด็กๆนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นการบอกนะคะวัตถุประสงค์นะคะในการซื้อของเล่นเนี่ยมาเพื่ออะไรนะคะ for ก็คือเพื่อนเองเนะคะตามด้วย คํานามนะคะคํานามพี่นี้ก็คือบุคคลนะคะ for children ให้แก่เด็กๆนั่นเองค่ะค่ะเรานะคะใช้นะคะ for นะคะในกรณีบอกการใช้งานนะคะเราอาจจะโดยใช้ร่วงกับ verb ing ได้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ A letter is a big spoon Youth for serving soup อีกหนึ่งครั้งนะคะ A letter is a big spoon ยืด for serving สุกทัพพีนะคะคือช้อนขนาดใหญ่ที่มีไวเพื่อตักซุปนะคะในที่นี้นะคะใช้ for นะคะตามด้วย verb-ing ก็ NG, คือตามด้วย serving สุกค่ะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นการบอกกรณีการใช้งานนะคะของโลชั่นนะคะ lavender lotion is better used for normal to dry skin อีกหนึ่งครั้งนะคะ ลาเวนเดอร์โลชั่นอีส์เบเตอร์ยูส์ฟอร์นอร์มัลทูดรายสกินประโยคนี้หมายถึงโลชั่นทาผิวลาเวนเดอร์นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะตรงนี้นะคะเราก็มีการใช้ฟอร์นะคะเพื่อที่จะบอกคุณสมบัตินะคะบอกการใช้งานของสิ่งที่เรากล่าวมาแล้วนะคะว่ามันใช้งานร่วมกับสิ่งอะไรได้ต่อไปนั่นเองค่ะ ค่ะเรื่องต่อมาที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเราโสดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะคะคำว่าโสดนะคะเราเนี่ยเป็นคำที่เราเนี่ยใช้กันบ่อยนะคะแล้วเราก็คุ้นเคยกันมากเลยะค่ะคำที่คุ้นเคยกันในภาษาอังกฤษนะคะที่โสดคือคำว่า single single ที่แปลว่าโสดนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I'm single I'm single ก็คือฉันเนี่ยเป็นโสดค่ะ ประโยคนี้นะคะใช้บอกสถานภาพของเราได้นะคะว่าเราโสดนะคะแต่นะคะนอกเหนือจากคำว่า single เรายังมีคำอื่นอีกนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะและก็มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าโสดนะคะเรายังมีอีกหลายคำเลยค่ะค่ะถ้าเราต้องการบอกว่าเราโสดแบบอื่นอื่นนะคะแบบแรกนะคะเราก็จะใช้ว่า available available ซึ่งมีความหมายว่าว่างหรือว่าโสดนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาเข้าประโยคว่า I am available I am available ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครพูดประโยคนี้นะคะหรือเราได้ยินประโยคนี้นะคะนั่นหมายความว่าสถานะของเราเนี่ยก็คือไม่มีแฟนนะคะกำลังมองหาอยู่นั่นเองค่ะค่ะคำต่อมานะคะเราแปลว่ายังไม่แต่งงานนะคะในความหมายก็คือยังโสดนั่นเองนะคะยังไม่แต่งงานนะคะก็จะมีการใช้นะคะคำว่า not married Not Married หรือ Unmarried นะคะ Unmarried หรือ Unwed Unwed นะคะเพราะฉันเนี่ยเราใช้ได้นะคะแปลว่ายังไม่แต่งงานค่ะแต่ต้องมาดูแต่งประโยคนะคะอย่างเช่น I'm not Married I'm not Married แปลว่าฉันยังไม่ได้แต่งงานค่ะหมายถึงฉันเนี่ยยังคงเป็นโสดนั่นเองค่ะ หรือจะพูดว่า am attached ก็ได้นะคะ am unattached un นะคะแปลว่าโสดนั่นเองค่ะไม่ได้ผูกพันกับใครนะคะค่ะคำต่อมานะคะ meet less meet less นะคะแปลว่าไร้คู่ค่ะหรือไม่มีคู่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ I meet less นะคะ I meet less แปลว่าฉันเนี่ยไม่มีคู่ค่ะ ค่ะถ้าต้องการบอกความเป็นโสดอีกแบบหนึ่งนะคะว่าเราเป็นหนุ่มโสด น, นะคะใช้คำ ว, ว่า bachelor เข้ามานะคะก็จะได้ว่า I'm a bachelor I'm a bachelor แปลว่าผมเป็นโสดที่ฉันเป็นโสดนั่นเองค่ะค่ะแล้วามาดูประโยคประโยคหนึ่งนะคะซึ่งแปลว่าฉันเนี่ยยังไม่มีใครอยู่ในใจเลยนะคะเราจะพูดว่า I don't have anyone in my heart I don't have anyone in my heart ก็คือยังไม่มีใครอยู่ในหัวใจเลยคะ่ะ หรืออาจจะใช้น็อตเอนเกจนะคะซึ่งแปลว่ายังไม่ได้มัด น, นะคะประโยกก็คือ I'm not engaged with anyone I am not engaged with anyone ประโยคนี้นะคะก็คือตัวฉันนะคะตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ผูกมัดกับใครค่ะ ค่ะแต่หากว่านะคะกรณีที่โสดแบบว่าเคยแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วอาจจะแยกทางกันแล้วนะคะหย่าร้างกันไปแล้วนะคะเราก็มีคำศัพท์มาฝากพนุษย์ฟังอีกนะคะมาดูนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่า divorce divorce นะคะแปลว่าแต่งงานแล้วแล้วหย่าแล้วค่ะอย่างเช่นนะคะตัวอย่าง I'm divorced am、um, divorced นะคะก็คือฉันเนี่ยหย่าแล้วนะคะคือตอนนี้สถานภาพโสดค่ะค่ะคำต่อมานะคะ separated นะคะ separated แปลว่าแยกทางกันอยู่ค่ะอาจจะยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายนะคะแต่แบบลักษณะก็คือต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันค่ะถ้าเกิดวาเราต้องการจะบอกแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้ เวิร์บทูบีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะยังคงทำเพราะว่าเซปเรตต์ยังคงทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์อยู่ค่ะก็คือ I am separated I am separated แปลว่าวเลิกแล้วค่ะโสดแล้วนะค่ะสรุปนะคะคำว่าโสดเนี่ยนะคะมีหลายคำมากมายเลยจากที่เราสองคนได้นำเสนอไปนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะเลือกคำศัพท์เน้นนำไปใช้นะคะได้กันบ้างนะคะ ก็เราไม่ควรใช้คำว่าซิงเกิลคำเดียวนะคะยังมีคำม อ, อื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะหวังว่าวันนี้นะคะข้อมูลที่เรานำมาฝากท่านเพื่อฟังนะคะจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวท์เว็บดอทเดลี่อังกฤษดอทไอเอ็นดอททีเอชค่ะ